ให้พวกเราทุกท่านทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เข้าพรรษามาเป็นเวลาหนึ่งเดือนให้พวกเราทบทวนดูว่าการกระทำของเราเพียงพอหรือยังการเล่งความผากเพียรของเราเพียงพอหรือยังสติ ปัญญาวิริยะความอดทนขันติเพียงพอหรือยังยังเป็นที่เราให้ทบทวนหรือว่าเราจังตําหนิตนเองได้อยู่ใช่ไหมเรายังย่อห ย, ย่อนอยู่ใช่ไหมหรือว่าเราทําเต็มที่แล้วอันนี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกอง พยายามดูมองดูข้างหลังตรวจตราดูขณะที่เข้าพรรษามานี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่เลยต่ำเลยโดยที่ไม่ได้เร่งความภาคเพียนอะไรเลยผมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะในพรรษาธุรการงานของเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ให้มีอะไรมีกิจจวัตข้อวัดปกติธรรมดาถ้าจะว่าไปแล้วก็น้อยมาก การขนน้ำการตักน้ำลำเลียงน้ำอย่างนี้เราก็ไม่ ม, ไมีมีแต่ปัดกวาดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายปัดกวาดเขาเป็นขนถนนหนทางซะมากกว่าเพราะนั้นกิจจะวัดข้อวัดของเราน้อยมากอย่าไปปล่อยโอกาสหรือว่าปล่อยเ ว, เวลาให้เสียเวลาในการทาความภาคเพียน ปล่อยโอกาสให้ว่างปล่อยโอกาสให้ไร้สาระไรประโยชน์เพราะมีเวลามากเกินไปก็ไม่รู้จะทำยังไงไปจับหมู่คุยกันอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามารับการศึกษาจากครูบาอาจารย์มาเป็นพระกรรมฐานผมอยากจะให้หมูพวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจ พยายามเร่งความภาคเพียนในพรรษาอยากจะให้เป็นสัดส่วนแล้จะให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนออกพรรษาไปแล้วเราก็ทําในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ในพรรษาหรือนอกพรรษาเราก็ทําอย่างเก่าอันนั้นแปลว่าไม่ตื่นไม่มีการไขาลานให้ตนเองวันไหนก็วันเก่าวัน คืนเดือนปีผ่านไปตัวเองก็ไม่ได้สนใจเพราะนั้นผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในพรรษาอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเข้มงวดกวดขานกับตนเองอดอาหารอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาจะนั่งกี่ชั่วโมงบังคับตนเอง เดิจงกลมกี่ชั่วโมงให้บังคับตนเองพยายามให้ทําให้มากทดลองทดสอบดูความเร่งความภาคความเพียร น, นั้นเป็นยังไงแต่ก็พร้อมกันกำบังคับจิตใจของตนเองให้อยู่กับกรรมฐานที่ได้รับได้ศึกษามาอย่างที่ผมได้บอกได้กล่าวว่าให้สติอยู่กับตนเอง อย่างเนี้ยแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่มั่นใจในการแนะนําของผมหนังสือก็มีเทปก็มีฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีมากต่อมากอ้าพวกท่านทั้งหลายคงจะใต้ใจได้เชื่อได้ในการที่แนะนําสั่งสอนนั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ใส่ใจยังไม่มั่นใจ ในการกระทําของตัวเองอยู่ผมว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่เป็นชังกระตายเป็นวันๆอย่างนี้ผมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนั้นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านบวชมาทั้งทีควรจะพยายามทำใจให้สงบให้ได้สักครั้งในพรรษานี้ การทําความภาคเพียนหรือว่าการภาวนาเนี่ยถ้าว่าพวกเราทําจิตใจให้สงบไม่ได้พวกเรายังไม่เชื่อมั่นเรายังไม่เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังเลื่อนยังลอยอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติจ น, จนจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ผมว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อมั่นในตนเองไม่ได้เชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนที่นี่ ให้ว่าส่งเชื่อมมั่นในการปฏิบัติของตนเองจากนั้นพวกเราจะยกมือท่วมหัวบอกว่าเออแต่ก่อนเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแต่บัดนี้พวกเราเราเองได้ภาวนาได้ปฏิบัติทำจิตใจของตนเองให้สงบให้ว่าเป็นของสมบัติของตนเองขึ้นมาแล้วเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองแล้วที่พระพุทธเจ้าเขียนแผนที่ไว้นั้นถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าขอ ก, ากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณทำไมพระพุทธเจ้าจึงค้นพบในหลักธรรมวิธีการทำจิตให้สงบจนถึงกับได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถึงขนาดนี้อันนั้นเราจะเชื่อมั่นในตนเองถ้าทห่าว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ศึกษาและก็ปฏิบัติเลื่อนล่อนอยๆ เชื่อบังไม่เชื่อบังทําไปบ้างแบบเลื่อนลอยแบบไม่เอาจริงจังไม่จริงใจผมว่าผลที่จะออกมากับแบบเลื่อนลอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์พยายามเล่งความภาคเพียนให้ดูใจของตนเองเป็นหลักให้อยู่กับกรรมฐานไหนจะยึดกรรมฐานไหนเป็นหลักการยึดกรรมฐานนั้นแต่ผมเองอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ยึดตามแนวแถว กรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราพอสายนี้เป็นสายที่อครูบาอาจารย์มีมากมายที่ท่านปฏิพุทธปฏิบัติไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วพอปฏิบัติไปพอภาวนาไปพอได้ศึกษาไปเอที่พวกเราได้ศึกษานั้นไม่ใช่ว่า ไม่มีองค์ไหนที่จะมายืนยันรับรองเป็นมั่นเหมาะบางทีท่านอาจจะถูกกับจดิตนิสัยของท่านเฉพาะองค์ก็ได้นำมาเป็นเพ่งกระสินบั่งดูในเมิดบั่งปล่อยใจให้เห็นอารมณ์ทางนอกบั่งผมว่าในสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ศึกษามา ให้งดไว้ก่อนให้นำแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนสายองค์หลวงปู่มั่นองค์ไหนท่านก็เน้นอย่างเก่าผมได้ฟังมาเกือบทุกอง์อย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ต่างๆโดยมากท่านจะให้ภาวนาทําจิตให้เป็นหนึ่งกําหนดลมหายใจ เข้าออกเป็นหลักกําหนดให้มีสติอยู่กับตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาดูให้ดีผมว่าถ้าว่าพวกเราศึกษาดีแล้วนี่แหละแล้วก็ลงมือประพฤติบัติปฏิบัติอย่างจริงจังทําอย่างจริงใจทําอย่างจริงจังผมว่าผลแห่งการประพฤติปฏิบัติของพวกเราคงจะงอกเงยเห็นผลขึ้นมา ไม่มากก่็น้อยไม่ว่าจะว่าน้อยละ่ะต้องมากแน่นอนเราดังนั้นให้พวกเราคิดดูให้ดีดูใจของตนเองดูความรู้สึกของตนเองพยายามอสติจับตัวใจให้ได้พยายามตั้งจิตอาสติจับตัวผู้รู้ให้ได้ตัวนี้แหละเป็นตัวการสําคัญกิเลสอยู่ที่นี่ทําอยู่ที่นี่ ความหลงมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ใจทั้งหมดมันไม่อยู่ที่อื่นใจเหมืันก็เก้าอี้ตัวหนึ่งบางทีกิเลสขึ้นมาบัญชาบางทีทำขึ้นมาบัญชาอขึ้นมานั่งกิเลสแล้วนั่งบนเก้าอี้นั่งหัวใจแล้วกดบัญชาใจของเราไปทางกิเลสราคะบังโทสะบางโมหะบ้างสิ่งที่ไม่ควรคิดมันก็คิดขึ้นมาสิ่งที่ไม่โกรธไม่ควรโกรธมันก็โกรธขึ้นมา ไม่รู้เรื่องราวต่างๆเรื่องติปาถะเก่าแก่นับนมนานมันค้นคว้ามันคิดค้นขึ้นมามันโดยมากมันออกมาจากจิตใจจิตใจใต้ซ้ำนึกมันก็นไม่น่าจะผิดเพราะฉะนั้นเอาสติจับดูให้ได้ดูให้ได้จุดเนี้พยายามเราดูดูจิตดูใจของตนเองให้มีสติถ้าว่ามีสติขึ้นมาแล้วผมว่า มันจะทันเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นในพวกเราทุกๆท่านนะเรื่องสมาธิเรื่องภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากแต่เบื้องต้นวันนี้พวกเราก็ได้ลงอุโบสถลงอุโบสถก็เรื่องศีล น, นะศีลนี่ก็คือก่อนที่จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องอาอาศัยศีลซะก่อนศีลแล้วก็สมาธิศีลก็คือการเป็นอยู่ สมาธิก็คือแนวความคิดทางด้านจิตใจปัญญาก็คือความรู้แนวความคิดทางด้านจิตใจคิดเรื่องอะไรอันนี้แปลว่าปัญญาพิจารณาอะไรเห็นให้รู้อะไรให้เห็นอะไรนี่แหละอันนี้ก็คือศีลก็ ค, คือเบื้องตน้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ศีลเหมือนกับเราทำหน้าที่การงาน ทำการทำงานสมาธิคล้ายๆว่าตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาให้เป็นหมวดหมู่ตะล่อมเข้ามาเพื่อพร้อมที่จะให้มันเป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนกับเก็บเงินที่แรกแเราก็ทำงานทางานก็เหมือนกับเราทำไรไถนาหรือว่าทกิจการงานพอทาได้เสร็จแล้ว เราก็ขายในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเงิ น, เ, นเงินก็นเหมือนสมาธิแล้วเจนี่แล้วปัญญาเงินทีนี้พอเอาเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วไปซื้อสิ่งของเข้ามาบริโภคเข้ามาสู่ร่างกายนี่แหละเจนี่เมื่อบริโภคเข้ามาก็เกิดประโยชน์ร่างกายของเราก็มีกําลังขึ้นมาได้อันนี้ก็เหมือนการสินสมาธิปัญญาถ้าจะเปรียบเทียบกัลักษณะอย่างงั้นนะคือปัญญาเป็นเครื่องสักฟอก จิตใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อก็เกี่ยวเนื่องถึงศีลด้วยการเป็นอยู่ถ้าหาว่าศีนของเราไม่บริสุทธิ์ศีนของเราด่างพร้อยศีนของเราไม่อยู่ในกฎระเบียบการกระทําสิ่งไหนออกไปเกะกะระรานหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอาจทำอะไรก็ขวางหูควางตาไปหมดเหมือนกับตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลาย ไปอยู่ที่ไหนก็นั้นอะ่ะขวางไปหมดไปอยู่วัดไหนก็เหมือนตัวเองจะอยู่วัดเป็นร้อยปีพันปีแต่ที่แท้ตัวเองก็ไม่อยู่นานพระที่มาอยู่ในวัดของเราก็เหมือนกันบางองค์ก็มาอยู่แล้วเหมือนกับตัวเองจะอยู่นานเห็นไหมละ่ะต่างองค์ก็ต่างไปสรุปแล้วก็คือเหมือนกับเรามาเกิดในโลกนี่แหละเหมือนตัวเองจะอยู่โชวฟ้าดินสลาย พอมาอยู่ก็ไม่เห็นนานเท่าไหร่ผลได้จู่กระแก่เจ็บตายไปไม่รู้กี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยแล้วใครมาอยู่ก็ทําท่า ก, กลางว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนานเท่านานแต่ที่ไหนได้ก็ไม่เห็นนานสักคนต่างคนก็ต่างไปเท่าแก่ชราไปแล้วเพราะฉนั้นการที่มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ในโลกควรจะทําตนให้เป็นคนดีอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีเรื่องราวอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นเกิให้ดูว่านี่อื่นคือกิเลสกิเลสอยู่ในใจของเรามันออกไปเพ่งพลานทำไม่พยายามดูใจของตอนเองนี่นหละพอมาเข้ามาบวชเข้ามาอยู่วัดวาศาสนาแล้วไปอยู่นสถานที่ใดก็าตามถ้าเราคิดดูอย่างนั้นแล้วผมว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเป็นอันดับแรกนะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมด ไม่เดือดไม่ร้อนไม่ฝุ่นไม่วายมองหมู่เพื่อนก็เป็นอัดเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมไปหมดเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันไปหมดแต่เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นที่รักเคารพนับถือไปหมดแต่ถ้าว่ากิเลสออกมานําหน้าแล้วเห็นอะไรขวางไปหมดเนีเหมือนกับกิเลสตอนนั้นเหมือนเมื่อก็จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายที่ไหนตายไปไม่รู้มากต่อมากเอีมาอยู่ที่วัดของเราหลวงพ่อนี่คือเหมือนกัน ไม่รู้กี่รุ่นตัวกี่รุ่นพวกเรา เ, เป็นรุ่นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นทุกรุ่นที่มาอยู่ด้วยบางองค์ก็นั่นแหละวางหมาดวางกล้ามก็มีแต่หลวงพ่อก็ต้องได้ชี้นาชี้แนะแต่ผลในสุดก็ไม่เห็นจะอยู่ได้นานเห็นไหมกี่รุ่นกี่ยุค ก, กี่สมัยเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่เรามาอยู่เพื่ออะไรมาอยู่เพื่อตักตวงคุณงามความดีมาอยู่เพื่อสั่งสมบรมี มาอยู่เพื่อสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อหาอยู่หากินไม่ได้มาอยู่เพื่อสั่งสมบรรมัลมีไม่ได้มาสั่งสมบุญวาดศาสนาอย่างอื่นคล้ายๆว่าไม่ได้มาวางหมาดวางกล้ามสร้างอิทธิพลอย่างนั้นไปสร้างไปเพื่ออะไรต้องการไปเพื่ออะไร แต่ขนาดผมผมก็ยังไม่ต้องการที่ให้อยู่กับมูกับเพื่อนกันอยู่โดยเป็นธรรมปกครองโดยเป็นธรรมมีอะไรมีปัญหาอะไรอย่างนี้ผมยินดีรับฟังเพราะนั้นมูพวกเพื่อนก็เหมือนกันอยากจะเข้ามาเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกเพื่อสังสมบัลมี เพื่อสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจจากนั้นก็ต่างคนต่างไปเมื่อถึงยุคถึงคราวถึงสมัยถึงควรจะไปยังไงอยู่ยังไงไปยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ขณะที่อยู่ด้วยกันนี่ให้ตั้งอกตั้งใจพาวนาให้ดีที่สุดอไม่ให้มีเรื่องมีราวแต่ทุกพูดรางนี้ทางนั้นเหมือนกับหมูเพื่อเพื่อนมีเรื่องมีราไม่ใช่อถึงจะไม่มีเรื่องมีราวก็มีอยู่ในใจในใจก็ไม่ให้มี ไม่ต้องพูดถึงวาจากายวาจาหรอางั้นในใจก็ไม่มีไม่ให้คิดไปในทางอากุศลเลยให้จิตใจเป็นกุศลที่การมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละหลวงพ่อว่าผมว่ามีแตพ่พวกเราถ้าทาได้อย่างนั้นนะมีแต่ความสุขความเย็นใจเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถ ผ, ผมขอเน้นย้ำเพราะในพรรษาอยากจะให้หมู่พเพื่อนเล่นความภาคความเพียร พยายามตรวจตราดูการบวชเข้ามาหรือว่าการอยู่ด้วยกันสามหนึ่งเดือนมันถึงวันนี้หนึ่งเดือนพอดีพรรษาปีห้าศูนยพรนั้นอยากจะให้ทบทวนดูว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นบุญกุศลที่เราทําอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควร อเราพยายามตั้งตนตั้งตัวขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดน ะ, ะคิดมันต้องมีเพราะนั้นขนาดคิดไม่ดีเราก็ต้องพยายามปรับความคิดให้ใหม่เพราะนั้นให้หมู่ผูกเพื่อนทุกองคนะพยายามภาวนาอยู่ด้วยความสงบปลมเย็ยนเป็นสุขไม่ต้องวัดภาวะไม่ต้องระแวงอะไรทั้งหมดทั้งอกทั้งใจภาวนาอย่างเดียวลูกเดียว สังสมคุณงามความดีทุกเดี่ยวสิ่งภายนอกปัจจัยสี่เป็นหน้าที่ของผมผมในฐานะเป็นอาจารย์ผมดูอยู่แล้วหรือพวกท่านขาดเหลือขาดตกอะไรที่มีความจำเป็น เ, เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็อบอกผมได้หรือบอกรุ่นพี่ได้ที่ผมเป็นหัวหน้าผมดูพวกท่านอยู่แล้วไม่ต้องวิกขลางบนเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลาย อวางใจได้เรื่องปัจจัยสี่ยังไงยังไงก็มีอยู่มีฉันอย่างนี้แหละอมันจะกินมากขนาดไหนฉันมากขนาดไหนเอเต็มอิ่มแล้วก็พอแล้วเราเป็นพระนะดีบังไม่ดีบังเป็นของธรรมดาแต่เราเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่แ่บ ด, ดีทุกวันไม่ใช่เหรอแต่วังวันก็อดอยากไปก็มีหิวโหวยก็มีอาหารดีไม่ดีเราก็ยังชีพให้เป็นมาเป็นไป ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายยังคอยเราอยู่วันนั้นเราอยู่ได้อย่างสมณะอยู่ได้อย่างพระปฏิบัติไปรักษาศีลภาวนาสังสมคุณงามความดีทำจิตใจของเราให้สงบติดใจให้เป็นหนึ่งให้ได้ในพรรานี้ผมว่านะจะเป็นบุญกุศลสำหรับพวกเรามหาศาลนะวันนี้กับผมได้กล่าวตักยํำเตือนเพราะเป็นวันอุโบสถ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ถ้าอกตั้งใจนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจมากเกินไปนะเราอยู่ด้วยกันก็รู้อยู่แล้วจะอยู่กี่เดือนกี่วันปล่อยพระเก่าก็เหมือนกันให้เป็นพระพี่เลี้ยงที่ดีแนะนำสั่งสอนพระดุนน่น้องๆให้ดีรุนน่น้องๆจะเป็นสมบัติต่อไปภายภาคหน้าเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็น พักเป็นพวกเป็นวงศาคณะญาติของพวกเราถ้าเราแนะนําสั่งสอนดีทางว่าพวกเราแนะนําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเเขาเห็นแล้วกันนะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่นับถือไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นรุ่นพี่ๆอันนั้นเป็นว่าทําลายวงการพุทธ พี่พี่น้องๆของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใครเป็นพี่ก็ดูแลน้องๆ้องน้องน้อ ง, องก็ให้ครบรพี่นะจากนั้นก็ให้ศึกษาปารัมีอะไรเกิดขึ้นก็นศึกษาปารบกันธรรมะทำคาสัรร่งสอนผมเองว่าผมไม่ได้ขาดตกบกพร่องนัานครังพระธรรมมีเยอะแยะไปแล้วก็ผมอยากจะแนะนํา หนังสือของครูบายจานที่พวกเรามาแจกกันเนี่ยมีในห้องสมุดมีไหมถ้าไม่มีก็พยายามปั๊มไว้นะผมนะผมบอกให้หมู่พเพื่อนปั๊มเอาไว้อย่าละห้าสิบเล่มห้าสิบเล่มห้าสิบเล่มหนังสือล่องตาที่เขาพิมพ์มาเนี่ยล้วนแล้วจะมีเป็นกุญแจดอกสำคัญทั้งนั้นผมอ่านดูแล้ว เพราะว่าผู้ที่เขาพิมพ์ออกมาเขาก็คัดสรรอย่างในจิตในใจของเขาอย่างแน่วแน่แล้วคาพูดหรือ ว, ว่าการอ่านของเขาล้วนแล้วแต่มันสมองทั้งนั้นที่จะเขาพิมพ์หนังสือออกมาเพราะฉะนั้นเขาคัดสรร์ออกมาแล้วผมว่าหนังสือทุกเล่มที่เราได้รับมาแจกเเราควรจะปั๊มเอาไว้ในห้องสมุดมันหมดเป็นนะเห็นไหมหนังสือของหลวงปู่ล่าทุกวันได้มีการพิมพ์ไหมไม่มี หนังสือหลวงปู่เทศมีไหมตะกอนหลั่งไหลออกมาเดี๋ยวนี้ไม่มีอมีแต่หนังสือหลวงตาหลวงตาใครข้าว่าทุกเสียดจุกหากรับนับถื อ, เ, อเขาก็พิมพ์หนังสือของท่านไม่ลูกกี่เล่มกี่รุ่นออกมาเพราะฉะนั้นให้พวกเราพยายามนะเก็บไปนะในห้องสมุด เ, เป็นทรัพยากรต่อไปภายภาคหน้า้างกาจะพิมพ์ต่อไปมันก็พิมพ์ยากอยู่นะอถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆพิมพ์ไม่ได้นะ อหลายเงินนะเราต้องมองเห็นหมู่พวกเพื่อนต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาว่าพวกเราไม่มองไปข้างหน้าพุทธศาสนามันหมดมาแต่นานแล้วอที่พระพุทธศาสนายืดยาวมาทุกวันนี้ครมันต้องมองไกลอันนี้ผมให้มองให้หมู่พวกเพื่อนมองมองไกลนะอ่หนังสือธรรมะอ่านแล้วเป็นประโยชน์นั่นแ่ะให้เก็บใส่ห้องสมุดอมมมมเอาไว้ปั๊มปั๊มปั๊มเอาไว้สี่สบพันสิบเล่ม อย่างพระนวกะของเราเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่สามสิบพระองค์นะถ้าหยิบไปทีละเล่มหรือเล่มเอาจะไว้สองสามสี่ห้าเล่มได้ยังไงเพราะพระในวัดบางทีมีคนยืมไปอ่านก็ให้เกิดประโยช น, นย์พอเราได้คิดไปแล้วถ้ามันมากเกินไปเอาออกมาแจกมันมากเกินไป เ, นเว้นเสียแต่หนังสือมหามากุฏจะน่าเออหนังสือ อันนั้นเราควรจะเอาไว้นะไม่ควรจะมาแจกเพราะหนังสือทัานเป็นเป็นห น, นังสืออามาจากคลังมาจากอาส่วนกลางมาจากมหมามกุฏที่เขาซื้อมาถวายอันนั้นควรจะเก็บรักษาเอาไว้แต่หนังสือทำมาทานที่นักพิมพ์ในงานต่างๆเนีอันนี้นเราก็ควรจะเก็บเก็บเก็บเก็บเอาไว้ถ้ามันมากเกินไปก็นํามาแจก ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมทามันนั่นที่เราอ่านดูแล้วหนังสือมีสาระประโยชน์เราเก็บเอาไว้อแต่เล่มไหนดูดลแล้วอ่านแล้วเออไม่เกิดประโยชน์เอาให้องค์อื่นอ่านแลิเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดเดอาสูเอาออกมาเพ้อเพ้อเอาไฟเผ า, าไฟทิ้งอก็มีอย่างองค์ลงตาทว่าหนังสือนี่เผาไฟทิ้งนะมีมากต่อมากอาอ่านไปแล้วทําให้คนหลงได้ คนให้ทําให้คนเสียหลักได้ทําให้คนเป็นบ้าได้หนังสือเล่มนี้เอาอ่านเผาทิ้งเะนะมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าหนังสือจะเป็นคุณประโยชน์ทั้งหมดไม่ใช่นะะเป็นโทษก็มีเพราะฉะนั้นถ้งว่าเป็นหนังสือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้เก็บไปเลยมีแต่คุณประโยชน์ทั้งนั้นเว้นเสียแต่มีคนแอบแฝงแอบแฝงเราก็พอจะรู้ว่าคําแอบแฝงคืออะไรถ้าเป็นำคำคําสั่งสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แลวให้เก็บไว้นะให้หมู่พเพื่อนใส่ใจด้วยกันนะอันนี้เป็นต่อไปภายภาคหน้าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะให้พวกเราไขาไปสู่มรรคผลในพานได้นะวันนี้ผมพูดเพียงเท่านี้ก่อน